มาปราทุกข์ปราสุขกันนะชีวิตในเมื่อมันเป็นทุกข์อย่างนี้เกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันให้มันไม่ทุกข์อย่างที่กล่าวเมื่อวานว่าไม่อยากจะให้คำ ว, ว่าความสุขเพราะความสุขืก็ต้องคนดังสแสวงหาความสุขนี่ทุกวันเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาใช่ไหมต่างคนต่างสแสวงหาความสุขมันก็ไปหาความทุกข์อีกแบบหนึ่งให้มันคบความทุกข์มันน้อยลงนั่นเองเน แต่ความทุกน้อยนะเดี๋ยวมก็ก็บานขึ้นไปอีกมันก็ไฟอ่ะถึงไม่มีน้อยน้อยเดี๋ยวพอมันได้เชื่อมก็ก็ลุกลามขึ้นไปอีกระหว่างไฟทุกกับไฟน้อยกับไม่มีไฟเลยเนี่ยจะเอาไหนอืไฟทุกไฟไฟมากก็คือทุกไฟน้อยก็คือสุขไม่มีไฟเลยก็คือไม่ต้องทุกไม่ต้องสุขคือไม่มีไฟเลยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาสอนไม่ให้มีไฟเลยคือไม่ทุกเลยแล้วทาอย่างไรตรงนี้ เราต้องมาศึกษาวิปัสนาะในแม่แต่พระอยู่กับวัดนี่ก็ไม่ใช่ว่าสบายนะมีทุกข์เหมือนกันนะทุกทุกมากกว่าโยมอีกเพราะจะต้องลมัดระวังระเบียบภินในสายตาชาวบ้านขนุธรรมเนียมประเพณีข้อบัญญัติอะไรต่างๆนะพระก็ไม่ใช่ว่าสบาย แต่ทุกคนที่มาปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยไม่ว่าพระวิยโยมถ้ามาปฏิบัติวิปัสนารู้จักปลดเปลื้องแก้ไขเงื่อนไขปัญหาชีวิตให้ถูกต้องตอนเช้านี้จะพูดขัดข้องหน่อยเพราะตื่นม า, ามทาบุติีได้ฉันน้ำแต่วันนี้ยังไม่ได้ฉันน้ำเพราะมันยุ่งกับคอมพิวเตอร์ เว่าจะชาใช้ญาติโยมดูก็เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมีนนไปเอาแล้วไม่ต้องเดือดร้อนตอนนี้ต้องเดือดร้อนตอนเช้าตอนหลวงพ่อตื่นนั่นแหละ <c oughs> พ่อไม่อยากให้ใครเดือดร้อนไปช่วยตัวเองน <c oughs> ั่นนั่นเราจะเห็นว่าเงื่อนไขาชีวิตเล็ก เ, กเกน้อยอนเหล่านี้ที่เราเคยทําไม่ทำเนี่ยชีวิตเราจะขัดข้องทันทีในแง่ของกายภาพในแง่ของสุขภาพมันจะขัดข้องทันทีไอสิ่งที่เราเคยทําที่มันตามปกติถ้าไม่ทํามันก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นอยากจะหันมาให้พวกเรามาศึกษาชีวิตให้มากแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ศึกษาชีวิตตื่นขึ้นมาว่าวันนี้ตอนเช้าเราจะทำอะไรเราจะจิตคือจิตมันเศร้ามองแต่เช้าแล้วจิตเศร้ามองแต่เช้าแล้วว่าวันนี้เราจะทาเราจะไปไหนลูกจะไปโรงเรียนอย่างไรสามีจะไปทำงานอย่างไร พ่อแม่ป่วยไข้จะแก้ไขอย่างไรจะไปหาหมอหายาอย่างไรญาติคนนั้นเจ็บป่วยจะทำอย่างไรบุ่นเดือดร้อนเลยเห็นะน้ำต้องเป็นน้ำอุ่นด้วยนะน้ำเย็นกับไรกันเองนะน่นจะเห็นว่าชีวิตชีวิตหนึ่งนะใ ห, ให้มันดังให้คนหนุ่มๆไม่มาเอาคนแก่มาก็เลยดังนะขออภัยด้วย นไขเล็กๆน้อยๆเรนี่ยต้องศึกษานะชีวิตไม่ใช่ของง่ายเลยนะไม่ใช่ของง่ายเลยมาเป็นเป็นคนไม่เหมือนเพื่อนอย่อยางคือชอบศึกษาสิ่งเล็กๆน้อยเนะี่ยคืออย่าอย่าละเลยอย่าประมาทสิ่งเล็กน้อยสิ่งใหญ่ๆที่มันเป็นหายใหญ่ๆเนี่ยมันก็เริ่มไปจากสิ่งเล็กน้อยเนะี่ยถ้าละเลยสิ่งเล็กน้อยมันก็จะสั ง, ส, งสมทีนิ้ๆนิดๆ น, ดนะอย่างน้อยก็สังสมขึ้นในใจคน นะสมมุติว่าเราไปเห็นคนทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเนี่ยเราก็นึกไม่พอใจเล็กๆแ ล, ล, ละนิดๆคือใน ใ, นใจไม่ว่าลูกเราสามีเราภรรยาเราพ่อเราแม่เราทีนี้ในบ้านเราอยู่กันสักสิบคนเนี่ยเราคนหนึ่งที่เป็นคนละเอียดเราจะสังเกตเห็นความไม่ถูกต้องสักสิบคนมันก็สั่งสมให้ความสิบสิบอย่างนี่แหละ ใ, ในใจของเราเอง มันเกิดคือความไม่พอใจความไม่สบายใจเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ทไมแลาวันนี้เราไม่สบายใจเราหาสาเหตุไม่ได้ทีนี้เรามาอยู่กันหลายคนเป็นยี่สสาสิบคนถ้าเราไปดูข้างนอกเนี่ยเราก็จิบเอาความไม่ไม่ดีของแต่ละคนมาใส่ในใจเราใจเราก็ไม่สบายแล้วนี่คือถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันจะสั่งสมในสิ่งไม่ดีเข้าไปในความรู้สึกและสิ่งไม่ดีนี่ก็จะรวมกันมาเป็นมาเป็นกุศลอกุศลและจิตมาเป็นบาป มาเป็นความไม่สบายใจนะแะดนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้คนเรารู้จักความพอดีความเหมาะสมหรือบางทีมาพูดนะใครมาพูดเสียงดังๆเสีย ง, งแรงๆกับเราเราก็ไม่ชอบเหมือนกันหรือมาพูดคาไม่ดีกับเราเราก็ไม่ชอบอีกหรือมาพูดดีแต่ว่าพูดไม่เหมาะกาลเทศะเราก็ไม่พอใจอีกสังเกตให้ดีในชีวิตมันหาความสุขยากจริงๆเพราะมันสั่งสมสิ่งเหล่านี้เข้าไปทนีนิดนิด เกามาเมื่อไม่มีทางออกมันก็ออกมาทางกายกายเราก็จะเป็นแต่ละคนจะมีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวอยู่คนเรามากบ้างน้อยบ้างเนื่องจากว่ามันเป็นผลลัพธ์ของสภาวะจิตโรคทางกายเนี่มาจากโรคทางจิตเพราะทางจิตท่องสั่งสมในสิ่งที่ไม่ไม่ดีทีนิดนิดเนี่ยมันไม่มีทางออกมันก็จะขับออกไปเป็นทางกายแต่ความไม่ดีทางทางจิตของเรามันจะขับไปทางกายคือทําให้ร่างกายหลั่งสารเช่นนิดหนึ่งเรียกว่าสารอะดรีนาลีน และอดีนรลนี้มันเป็นกดกดที่มันก็จะไปทําให้เซลล์ในร่างกายของเราอ่อนแอบ้างตายบ้างดังนั้นจะทําให้ชีวิตเป็นสุขและเบิกบานเนี่ยเป็นของยากมากที่พระพุทธเจ้าท่านแต่ว่ากิจฉัมัจจากิจฉังมัจจานะชีวิ ต, ตังการดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายมีความสุขเป็นของยากมากเพราะเกิดแล้วมันก็ต้องสังสมเหล่านี้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็มาบอกสิ่งนี้บอกสิ่งว่าชีวิตนี่มันมันมีความทุกข์เพราะเราไม่รู้จักมันนะไอ้คาว่าไม่รู้จักก็คือตัวอวิชชานงคือตัวอวิชชาคือตัวอันโนนะว่าตัวอันโนนคือตัวอวิชชาคือไม่รู้จักมันคือเพราะเราไม่รู้จักก็เพราะว่าเราไม่ศึกษานั่นแหละอเราไม่ศึกษาเพราะฉะนั้น มาจะสังเกตชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนดูใจก่อนเป็นไงใจเมื่อคืนนี้ฝันอะไรไหมเมื่อคืนนี้ฝันเข้ามาขอเงินนี่เราไม่มีเงินให้รู้สึกไม่พอใจอย่างี้นะตื่นขึ้นมาใจก็เอ๊ะทำไมเราฝันอย่างนั้นอ่ะเขาโทรเร์มาขอเงินนี่เพราะนั้นเราต้องสังเกตสังเกตว่าเราตื่นขึ้นมานี่ยใจเราเป็นยังไงมันมันผิดปกติ วันไหนถ้าลได้หลับลึกๆตื่นขึ้นมาช่ำชื่นเบิกบานหน้าใสตาใสใจสบายถ้าคืนไหนนอนไม่สนิทตื่นขึ้นมาตาไม่ใสตาคุณหน้าหน้าไม่สบายแม้พยายามจะยิ้มก็ฝืนยิ้มหน้าก็ไม่บานนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราที่พอมีสติมีปัญญาอยู่บ้างเนี่ย ให้มาศึกษาเรื่องชีวิตให้มากเถอะอย่าคิดว่าชาตินี้เราจะต้องรวยเป็นเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเรามีชีวิตที่ผิดปกติมีชีวิตที่ไม่สบายเอามาข อ, อยอมว่ามีชีวิตที่สบายไม่มีตังค์สักบาทก็ช่างมันยังมีอะไรเป็นสุบัดส่วนตัวแม้แต่ชิ้นเดียวก็ช่างมันขอให้ชีวิตมันปกติเพราะอะไรเพรตายไปแล้วนี่เราก็อะไรไปไม่ได้แต่ในชีวิตนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะอยู่ด้วยความมีความสุขสบายได้อย่างไรเนี่ย มาพยายามศึกษาเรื่องนี้เมื่อศึกษาเป็นแล้วแก้ไขเป็นแล้วก็มาเห็นหน้าเพื่อนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีความสุขดูใบหน้าร่วงโรยเศร้าหมองสายตาขุ่นโม่เนี่ยแสดงว่าเขามีความทุกข์อยู่ข้างในเมื่อมีความทุกข์อยู่ข้างในจะทำอย่างไรให้เขาไม่ทุกข์อ่ะก็ต้องมาหาวิธีการนะโดยเฉพาะวิธีการของพ่อเทียนที่มาได้ศึกษามาเนี่ยรู้สึกว่ามัน มันง่ายดีนะถ้าถ้ามานั่งหลับตามาเคยนั่งหลับตามาก่อนนะสชั่วโมง5้าชั่วโมงนี่ประมาณสักสองชั่วโมงนี่มันก็ไม่รอดแล้วปวดตะคิวจากทั้งตั ว, วง่วงหรือหลับไปเลยก็ตื่นขึ้นมาใหม่มันก็ทำอยู่อย่างนั้นนะ่จิตก็ไม่ปลอดโปรง่งไม่โปร่งใสพอมีอะไรกระทบทิศกระทบหน่อยก็เกิดปฏิฆางุดหิดติดดีนะ เราพยายามทำสิ่งที่ดีแต่เราไม่รู้จักดีเราพยายามคิดในสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้จักดีเราพยายามพูดในสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้จักดีเมื่อใครทําอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่พอใจเมื่อเราไม่รู้จักดีเราก็จะติดดีเมื่อติดดีถ้าใครมาทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่พอใจนี่ถ้าปฏิบัติแบบหลับตามันจะเป็นอย่างนั้นมาเคยเป็นมานานแต่พอมาปฏิบัติแบบลืมตาเนี่ยหลักของการหลับตาคือการปฏิเสธความจริงนะ Blue คือตามนันมีหน้าที่มองมีหน้าที่เห็นแต่เราไม่ยอมมองไม่ยอมเห็นหูมันที่ม Out ีหน้าที่ฟังเราไม่ฟังจิตมีหน้าที่คิดแ ต, pensar, แต่เรามีหน้าที่รู้แต่เราไม่ยอมรู้ตรงนี้เ็าเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่ไม่ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะตามันเห็นก็ให้รู้มันตามความเป็นจริงถ้าเราหลับตานั่นั่งภาวนาเนี่ยถ้าลืมตามันได้พอไปเห็นอะไรที่มันขัดตานะมันก็ไม่พอใจนะแต่ถ้าเราล anyway ืมตาเนี่ยมันเห็น <grandes dudes> ดูมันเรื่อยๆทั้งขัดตาทั้งถูกตาเนี่ยดูไปเรื่อยๆทั้งถูกตาทั้งผิดตาดูมันไปเรื่อยๆอันไหนมันผิดตามันทําให้ใจไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็จะเรียนรู้ว่าเออทุกคนจะแก้ไขอย่างไรอันไหนมันถูกตามันถูกใจแล้วก็ไปสุขเออสุขเกิดจากการถูกตาเนี่ยมันสุขอย่างไรศึกษามันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าทั้งถูกตาทั้งผิดตาเนี่ยมันเป็นของปกติในที่สุดมันก็ไม่มองถูกไม่มองผิด มันมองเฉยเฉยไม่แต่เสียงเหมือนกันเมื่อก่อนเสียงไหนถูกหูเราก็ชอบใจเสียงไหนไม่ถูกหูเราก็ไม่ไม่ชอบใจก็ต้องให้มันมันมันรู้อย่างนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ถูกมันก็จะทาให้ใจไม่สบายเราก็ต้องทุกข์พอทุกข์คนที่จะเกิดการเรียนรู้ว่าไม่ให้ทุกข์ได้อย่างไรอ่าจะเกิดการเรียนรู้อันไหนมันถูกใจก็เกิดความชอบใจ ไอ้ความชอบใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาเป็นความไม่ชอบใจความชอบใจก็ไม่เที่ยงความไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เห็นทุกพอเห็นทุกบ่อยเข้าบ่อยเข้าทุกมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับมันก็เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ทุกใหม่เกิดขึ้นอีกอยู่อย่างนี้ล่ามไปในที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขาชาติปุณกุนัง การเกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยเกิดบ่อยๆมันเป็นทุ ก, ทกข์เดี๋ยวทุกขเด๋ยวสุขเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับกันอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เลยไม่มีความสุขสงบที่แท้จริงน่ะไม่มีความสุขสงบที่แท้จริงดังนั้นอยากจะให้นักปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยมาศึกษาชีวิตร่วมกันคือไม่ต้องเอาบุญเอากุศลอะไรเพราะว่าการศึกษาชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวบุญกุศลไปในตัวท่านศึกษาถูกนะ ถ้าศึกษาไม่ถูกมันก็บุญกุศลมันก็มีน้อยฉะนั้นไม่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยต้องเจ็บป่วยเพราะมันเกิดมายากไม่อยากชีวิตที่มันเป็นทุกข์เพราะทุกข์มานานแล้วนะแต่ว่าในที่มันผิดพลาดบุกร่องเพราะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็แล้วไปมันมันเพราะความไม่รู้ก็ก็ถือว่าเป็นการฝันร้ายแต่มาบัดนี้เรามาตั้งต้นศึกษาชีวิตที่ถูกเสื่อใหม่เนี่ย เราพยายามอย่าทำร้ายจิตใจของเราอีกต่อไปเดีย๋ยวพยายามพยายามทำร้ายร่างกายเราอีกต่อไป<ม>คืออย่างอย่าสะสมเอาสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ร่างกายของเรานะอย่าสะสมในสิ่งที่ไม่ดีในมาสู่ร่างกายมาสูจ่จิตใจของเรานะเช่นเราไปเห็นอะไรขัดตาเนี่ยเราไม่พอใจสะสมเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาอีกแล้วไปฟังเสียงที่ไม่ถูกหู ไม่พอใจสะสมในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอีกแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสใจรู้ในสิ่งที่ไม่ดีสั่งสมเอาสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ร่างกายของตัวเองล้วไม่สงสารร่างกายของตัวเองไม่สงสารจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นโรคภยัยแค้เจ็บเกิดทุงทุกอย่างนี่นะต้องมาจากจิตนะบ่ได้มาจากกายกายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่จิตที่แปดสิเปอร์เซ็นตเพราะมันสั่งสมเอาสิ่งที่ไม่ถูกเข้าไปนะ ร่างกายเนี่ยสิ่งที่เราสั่งสมเข้าไปไม่ถูกสี่อย่างพึ่งมันมากวนนะใช่ไหมไม่ดู้าจาไข่โดนโดนกอนกันแล้วกันนะพยายามจะไปกังวลกับวันกันแฝงไม่ตาให้มันกันแล้วกันนะในร่างกายนี่เราสะสมในสิ่งถูกสิ่งผิดเข้าไปที่จะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยสี่อย่างจำมาไว้นะอย่างที่หนึ่งคือกรรม กรรมคือการกระทาชีวิตของเราที่ไม่สบายเนี่ยเราทำในสิ่งที่ผิดผิดมานานเช่นว่านอนดึกนี่ก็กรรมไม่ดีแล้วนะตื่นสายกรรมไม่ดีแล้วกินอาหารตามอยากก็กรรมไม่ดีแล้วก็ดีเหมือนกันดัง น, นั้นเราจะเห็นว่ากรรมคือการกระทาเช่นว่า เราทํางานมากๆโดยไม่รู้จักพักผ่อนเนี่ยก็เป็นกรรมไม่ดีนะหรือเราทําอะไรที่ร่างกายมันเคยเรียกว่าสบายๆไปทําให้มันหนักหน่วงเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหวนี่ก็เป็นกรรมไม่ดีเหมือนกันเพราะนะอันที่หนึ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ทางกายคือกรรมนะนั่งนานมันไม่สบายไม่ยอมพลิกยอมเปลี่ยนนี่ก็เป็นกรรมได้เหมือนกัน แต่ถ้าหาว่านั่งนานๆถ้าหากว่าเรามีปัญญาไอ้การนั่งนานๆมันเกิดทุกข์แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นปัญญาอันนั้นก็อีกอันห น, น, นคนที่ทําวิปัสสนาเป็นแล้วนี่ก็จะแก้กรรมเป็นนะแต่ถ้าคนทําวิปัสสนาไม่เป็นนี่แก้กรรมไม่ถูกเพราะนั่นอันที่หนึ่งคือกรรมการทําให้ลมหายใจของเราเนี่ยก็คือกระหอบนี่ก็เป็นกรรมไม่ดีนะทำให้เหนื่อยจนกระดือกระหอบก็เป็นกรรมไม่ดีเหมือนกันแล้วการทํางานไม่ระมัดระวัง เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นกรรมนะดฉะนั้นคําว่ากรรมนี่กว้างขวางมากในสิ่งที่เราทําผิดพลาดในอดีตก็เป็นกรรมเรียกว่าอดีตกรรมนะในสิ่งที่ผิดพลาดเช่น เ, เรื่องของการอยู่การกินการดลับการนอนการนั่งการเดินอันนี้เป็นกรรมอันที่หนึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สบายแก่ร่างกายอันที่หนึ่งคือกรรมอันที่สองจิต จิตของเราที่สั่งสมความไม่ดีเข้ามาสู่ในตัวของมันเองก็เกิดความไม่สบายทางกายเช่นมีความโลภอยากมากเกินไปคิดตลอดเวลามีความโกรธเครียดง่ายอะดรีนาลินหลั่งสูงก็เป็นกรรมต่อร่างกายเป็นเป็นโทษต่อร่างกายแล้วมีความสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมตัวทําให้เผลอไผลทําผิดพลาดประมาทเกิอดอุบัติเหตุก็เป็นกรรมทางจิตนะกรรมจิต จิตก็ขอให้เกิดความไม่สบายต่อกาย น, ะ, น, ะ, นะเป็นสิ่งละเอียดกรมจิต อ, อันที่สอันที่2คือจิตนี้ทาให้เกิดความไม่สบายต่อร่างกายอันที่สามก็เรื่องอุตุอุตุคืออากาศอากาศร้อนเกินไปก็ทาให้ร่างกายไม่สบายอากาศหนาวเกินไปก็ทำให้ร่างกายไม่สบายแล้วอากาศที่มันไม่ดีอ่ะ นะอากาศที่ไม่ดีมันอยู่ตรงนี้มันเหม็นอากาศมันเป็นฝุ่นเป็นละอองเป็นพอลิชเชนต่างๆโดยเฉพาะถ้าเหนือภาคอีสานตรงนี้ยอากาศมันร้อนจังหวัดตราด ต, ตามปกติมไม่ร้อนนะตรงนี้ร้อ น, นไม่ใช่ธรรมดานะถ้าจังหวัดตราดร้อนหมายความภาคอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วภาคอื่นจะร้อนหมดนะถ้าที่จังหวัดตราดฝนไม่ตกภาคอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะถ้าจังหวัดตราดร้อนนี่ทางเหนือภางอีสานจะร้อนหนักกนะว่า น, า, น า, าน น, น, กก น, นี้อีกหลายเท่าอากาศนอกจากมันร้อนแล้ว มีหมอกควันเผาป่าหาอาหารหาพ่อป่าบ้านเราป่ามัแห้งง่ายใช่ไหมพอเผาก็ปรากฏหมอกควันขึ้นคนก็เป็นเมื่อก่อนคนบ้านนอกเมื่อก่อนนี่นะเวลาคนเดือนหนึ่งตายครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ตายทุกอาทิตย์เมื่อก่อนใ น, นอาทิตย์ละคนแต่เดี๋ยวนี้อาทิตย์ได้สามคนสี่คนเห็นไหมทีนี้คนเคยทํามาหาหกินก็ไม่ต้องไปทํามาหาหกินหมดจะไปบ้านศกทางภาคเหนือภาคอีสาน เดี๋ยวคนนั้นก็โทรเข้ามาบอกว่าคนนั้นตา ย, ยนะวันนี้สองศพนะไปบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านนั้นบ้นนั้นสวดทุ่ม ง, งทุ่มบ้านนั้นสวดสองทุ่มเราไ่ไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันมิตะไปสวดไปไปงานบ้านศพเห็นไหมคนก็ตายเยอะขึ้นเพราะอะไรอุตุอากาศไม่ดีอุตุภายนอกคืออากาศอุตุภายในคือความ รู้สึกอุณหภูมิภายในของเราเพราะนั้นก็เลยมีการปรับอุตุปรับพลังงานเช่นมีการออกกําลังกายที่ปรับพลังงานสร้างความสมดุลโดยสร้างความภูมิต้านทานขึ้นมาในร่างกายเพราะฉะนั้นในหมวดกรรมฐานของเราเราก็จึงมีการออกกําลังกายเพื่อปรับเราเรียกว่าอัชชัตอุตจุอัชชัตตะอุตจุถ้าพลังงานภายนอกเรียก ว, ว่าพระหิทธอุตจุคือดินฟ้าอากาศถ้าอัชชัตตะอุตจุคือภูมิต้านทานภายในนะที่จะ ร่างกายของเราที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภูมิอากาศภายนอกไวเกินไปถ้าหากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงภายนอกไวเกินไปร่างกายเราปรับไม่ทันเรกไม่สบายอีกก็ให้เกิดความไม่สบายนะเรียกว่าอัชัด อ, อุตุก็ต้องปรับการออกกําลังกายก็ใช้โยคะโยคะนี่มันจะปรับทั้งภายนอกและภายในปรับทั้งกายทั้งจิต ด, ด้วยในขณะทาําโยคะนี่ต้องกําหนดรู้มีความรู้สึกตัวมีสติกําหนดรู้ด้วยนะ ไม่ใช่ทำไปแบบไม่รู้สึกตัว น, นี่ก็เป็นได้แต่พลังฝ่ายเดียวอุตุเหตุทำให้เกิดความไม่สบายทางกายที่สามคืออุตุใช่ั้ยอันที่สีกรรมจิตอุตุอันที่สีเรียกว่าอาหารอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายไม่สบายนะคนที่เคยกินอาหารหยาบมากินคนที่เคยกินอาหารละเอียดมากินอาหารหยาบ ก, ก็ไม่สบายคนที่เคยกินอาหาร เก้าโมงมากินอาหารหกโมงมัก็ไม่สบายคนที่เคยกินสามมื้อมากินสองมื้อก็อาจจะไม่สบายนะคนที่เคยกินรสจืดไปกินรสเค็มก็ไม่สบายอีกนะมาในเมา่ก่อนเคยกินภูกินปลากินเนื้อกินหมูพอเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวก็ไม่สบายถ้าไปกินผักกินหญ้ากินเชีย์เออสบายเนี่ยเห็นไหมเราปรับร่างกาย ดังนั้นเอามาก็เลยหันมาลองมากินเจนแล้วกสบายระยะสองสามปีนี่ก็สบา ย, ะ ย, น, บายนะทำงานสบายได้ทั้งวันแต่ถ้าเผือไปกินเนื้อกินปลาเขา้เาร่างกายไม่สบายอีกละอาหารก็เป็นปัจจัยแตก่กินตามธรรมชาตินี่ดีอย่างร่างกายเราเบาร่างกายเราคือมันไม่ต้องไปใช้นี่กรรมไม่เว้ของศัตวะถ้าเราไปกินสัตว์นี่เราเอาเอาเนื้อเขามาเป็นเนื้อเราเราก็เป็นใช้นี่เขา ใช้นี่ยังไงก็ทําให้ร่างกายของเราไม่สบายนี่เรียกว่าใช้นีิกรรมของสัตว์ถ้าหากว่าเรากินหมูเราก็ไม่สบายอย่างหมูเพราะต้องใช้นีิกรรมให้แก่หมูเรากินไก่ก็ต้องใช้นีิกรรมไก่แต่กินปลาก็ใช้นีิกรมรมปลาไปก็ ม, มีมีนี่อยู่ในตัวของมันหมดนั่นแหละคือความไม่สบายกายนั่นแหละคือเราใช้นี่เขาแต่ถ้าเรากินผักกินอะไรมากๆนี่เพราะผักไม้ใบหญ้านี่ชีวิตมันนิดเดียวไงชีวิตมันมีแค่หปเซแต่สัตว์นี่ยชีวิตมันมาก 30% 100น0ามสเซนต่นแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกพืชนี่เขาเรียกว่าชีวะใช่ไหมเขามัเรียกชีวิตใช่ไหมก็เรียกไบโอไม่ไม่เรียกว่าไลฟ์หรือลีฟิงถ้าเป็นถ้าเป็นพืชนี่เขาเรียกไบโอนะคือเป็นเป็นชีว ะ, เ ป, วะเป็นชีวิตที่มีวิญญาณต่ําที่สุดพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีที่มีแต่ว่าสัตว์ที่มันดิ้นได้มีขีดวิญญาณเนี่ยมันก็มีชีวิตของมันสูงตั้งแต่เหลือยุ่งลิ้นไลขึ้นไป เพรนั้นอาหารก็มีค่ากินไม่ถูกก็มีกรรมในตัวของมันนะอ่าแต่ว่าจําเป็นต้องกินก็กินไปแต่เราก็ใช้กรรมไว้ด้วยคือต้องมีความอดทนทุกหน่อยเป็นเวลาไม่สบายกายไม่สบายใจมาก็ทนเอาหน่อยก็ใช้นี่กรรมไป <c oughs> แต่ว่าความไม่สบายหลายอย่างผสมกันก็เป็นพลังความไม่สบายก็ลำบากเหมือนกันนะใช้นี่กรรมของสัตว์ทั้งหลายดัยงนั้น <c oughs> ความไม่สบายกายมีกี่อย่างจําได้ไหมมีสี่อย่างคือกรรม ปุญแจอาหารทั้ง4อย่างนี้ถ้าเมื่อใดร่างกายไม่สบายให้ระลึอกอยู่เสมอว่าสตัวเนี้ตัวไหนเรามีบุกพอง ข, อข้อไหนนั่งนานปวดแข้งปวดขานี่เป็นอะไรเป็นกรรมใช่ไหมย่งนั่งยืนเดินยืนเดินนั่งนอนไม่สบายปวดหลังปวดเอวก็เป็นกรรมคือไม่ค่อยปรับไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยนวดไม่ค่อย ออกกําลังกายร่างกายก็จะเครียดนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เลยวิชาออกกําลังกายวิชาหมอนดก็ได้ผลเพราะคนไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> <c oughs> นะฮะดังนั้นอันนี้เรียกวความทุกข์กายความทุกข์กายมาสาเหตุสี่ประการนี้คือกรมจิตอุตุอาหารทีนี้มาจากความทุกข์ใจบ้างความทุกข์ใจเกิดจากอะไรใครรู้บ้างยายที่นั่งข้างหลังนั่นนะความทุกข์ใจเกิดจากอะไร ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากจะให้เสร็จไวๆอยากจะไปนอนไวๆอยากจะได้กินดีๆอยากจะนอนดีๆอยากจะได้อาหารดีๆอยากจะได้เงินดีๆอยากจะได้รถดีๆอยากจะได้บ้านดีๆอยากจะได้เรียนดีๆอยากจะได้งานดีๆเป็นความอยากทั้งนั้นความอยากทันนี้มันมันถูกตอบสนองทุกอย่างไหมความอยากอันไหนไม่ถูกตอบสนองเชื่อว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเมื่อมันไม่ถูกตอบสนองความอยากไม่ถูกตอบสนองกลายเป็นอะไรกลายเป็นความไม่พอใจคือความทุกข์อยากจะได้อันนั้นมันไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยากจะได้อันนี้มันไม่ได้ตามอยากก็เป็นทุกข์เพราะนั้นความอยากมีอยู่สามอยากนะจำเอาไว้ความไม่สบายใจเกิดมาจากสาเหตุความอยากสามประการความอยากประการที่หนึ่งเรียกว่ากามาตรหาอยากได้งนะ อันที่สองเมื two, wanted, want let alone, let alone, ่อได้ตามอยากแล้วอยากจะให้มันอยู่นานๆสมมุติว่าได้เงินแสนหนึ่งก็อยากให้เงินแสนนี้มาอยู่นานๆอยากได้เงินล้านหนึ่งก็อยากให้เงินล้านมาอยู่นานๆมาอยู่นานได้ไหมเงินน่ยอยากจะได้ไม่มีลูกก็อยากจะได้ลูกถ้าได้ลูกมาแล้วก็อยากจะให้ลูกดีแต่ลูกดีตามที่เราอยากไหมอยากจะได้สามีได้สามีมาแล้วก็อยากให้สามีดีอย่างที่เราอยากเขาดีอย่างตามที่เราอยากไหม อยากจะได้ภรรยาอยากให้ภรรยาดีตามที่เราอยากเขาดีตามที่เราอยากไหมอ่าอยากจะได้อะไรก็ตาม <_ p ete> อยากให้มันดีมันไม่ได้ตามอยาก <_ p ete> มันไม่ดีตามอยากเราเรียกว่าภ <_ p ete> าะวะตัณหาเป็นความอยากอันที่สองคืออยากจะให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันดีตามอยากแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง <_ p ete> ใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลง <_ p ete> มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วก็แตกดับไป อยากอันที่สองคืออยากแล้วมันไม่ได้ตามอยากอันที่สามความอยากอันที่สามความอยากที่สามเมื่อมันไม่ได้ตามอยากแล้วเป็นไงก็ไม่อยากจะเห็นสามีไม่ดีก็ไม่อยากจะให้มาอยู่ร่วมละภรรยาไม่ดีก็ไม่อยากให้มาอยู่ร่วมลลูกไม่ดีก็ไม่อยากให้มาอยู่ร่วมลวของที่ซื้อมาไม่ดีก็ไม่อยากเอาไว้อยากเอาไปคืนอยาเอาไปทิ้งไอการที่มันไม่สมอยาก แล้วอยากจะหนีจากสิ่งนั้นอยากจะห่างจากสิ่งนั้นเรียกว่าวิภาวะให้มันหมดไปจากไปเจอเพื่อนคนไหนไม่ดีก็ไม่อยากจะให้เพื่อนคนนั้นมาใกล้เนี่ยเขาเรียกเป็นวิภาวะละของที่ได้มาแล้วไม่ดีก็อยากจะเอาไปทิ้งอยากไปทําลายเนี่ยเป็นวิภาวะไล่รถมาไม่ดีแต่อย่างใจก็อยากจะเปลี่ยนมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ได้สามีมาไม่ดีก็อยากจะเปลี่ยนสามีก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆก็ทนทุกข์ต่อไป ได้ภรยามาภรยาไม่ดีอย่างใจก็อยากจะเปลี่ยนภรยาก็เปลี่ยนไม่ได้อย่างใจสร้างบ้านมาแล้วไม่ถูกใจก็อยากจะเปลี่ยนบ้านซื้อของสิ่งใดมาแล้วไม่ได้อยากใจก็อยากจะเปลี่ยนไอการที่อยากจะเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนนี่แหละก็เรียกวิภาวะความทุกข์ก็เกิดใช่ไมได้ร่างกายมาแล้วร่างกายมันไม่สวยก็อยากจะให้มันสวยก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอะจะมู่ไม่โด่งก็ต้องเปลี่ยนให้มันโด่งใช่ไ ตามันไม่คมไม่ข่ำก็ต้องไปขีดให้มันดำมันข่ำก็อยากจะไปเปลี่ยนมันฟันมันไม่สวยก็ไปจัดเฟียนฟันให้มันมันได้อย่างใจอยากจะเปลี่ยนฟันเห็นไหมจริงไหมเนี่ยได้ผมมาไม่สวยก็อยากจะไปเปลี่ยนผมอ่าผมมันไม่แดงก็ต้องไปเปลี่ยนให้มันแดงผมมันไม่ดำก็เปลี่ยนให้มันดำคิ้วมันไม่ดกก็เปลี่ยนให้มันดกเห็นไหมมันไม่ใช่ธรรมดานะไอ้ความไม่อยากแต่ว่าเราไม่รู้เท่าทันมันยงไงเขาเรียกวิภาวะคือความ ที่มันไม่ได้อย่างใจแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์เมื่อจะเป็นทุกข์เปลี่ยนแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินหน่อยใช่ไหมแล้วชีวิตของเราจะมีเวลาหรือจะหาเงินทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งแล้วจะมีเวลาสุขที่ไหนอาจจะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าชีวิตของเราตกเป็นท่าทุกงความเครียดตกเป็นท่าทุกงความไม่สบายคุ้มกันไหมไม่คุ้มพระพุทธเจ้าท่านเห็นปัญหาเหล่านี้เองท่านเลยออกท่านมีมากกว่าเรานะมีแผ่นดินมีพระราชวางังมี หลุมเงินหลุมทองมีประชาชนท่านมีมากกว่าเราตั้งหลายหมื่นหลายแสนท่านท่านยังทิ้งเลยเราไม่มีมากเหมือนท่านอ่ะทำไมเราทิ้งไม่ได้เราจะทิ้งง่ายกว่าท่านเนีนี่คือความเสียสละที่พระพุทธเจ้าท่านท่านให้แก่เรามาเราก็มาศึกษาตามท่านแต่การที่เราจะเอาความอยากออกจากใจทํายังไงเรารู้ว่าความไม่สาเหตุความไม่สบายทางกายมีเท่าไหร่มีสี่ใช่ไหมความเหตุสาเหตุของความไม่สบายทางจิตมีเท่าไหร่ มีสามทีนี้เราจะจัดการในเงื่อนไขสามสี่อย่างนี้ให้มันดีจะทําไงก็ต้องเจริญปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยปรับไม่ได้ที่จะทําำไงให้เกิดปัญญาก็ต้องมาเจริญสติอย่างที่เราเห็นเนี่ยสติมากปัญญามันถึงจะมากสติมากก็ทําให้เกิดสมาธิมากสมาธิมากก็ทําให้เกิดปัญญามากเมื่อเกิดปัญญามากก็ไปจัดการปัญหาชีวิตได้มาก ถ้าทำน้อยสติมันเกิดน้อยสมาธิเกิดน้อยปัญญามันก็น้อยเมื่อปัญญาน้อยก็ไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้น้อยความทุกข์ก็ยังมีอยู่ทุกกายก็ยังมีอยู่ทุกใจก็ยังมีอยู่เมื่อก่อนอามาทุกกายทุกใจเนี่ยเต็มร้อยเเนตแต่เดี๋ยวนี้จะบอกได้ว่าเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะอามาก็เลยว่ามันไม่ทุกนะมันไม่ทุกก็อยากจะเอาความไม่ทุกเนี่ยมาบอกให้กันฟังว่าสาเหตุมาจากอะไรนะดังนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วนะ พราฉะนั้นเราอาจจะจะแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มกันบ้างวันนี้เพื่อให้จะได้อยู่กันทนและที่และแห่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกันผู้ที่ตั้งใจจริงๆก็เอาไว้สมุมหนึ่งผู้ที่ตั้งใจปานกลางก็เอาไว้สมุมหนึ่งผู้ที่ไม่ตั้งใจเลยก็เอาไว้สมุมหนึ่งนะแต่ว่ายมไม่รู้หรอกจะจัดแบบไหนนะเดี๋ยวจะพยายามให้ปฏิบัติแต่ก็เราโชคดีในวัดนี้เรามีมุมหลายมุมนะ เรามีมุมที่ศาลานี้มีที่โบสถ์แล้วก็มีที่เกาะกลางน้ําแล้วก็มีบริเวณร่มรื่นหลายๆแหง่งแล้ววันนี้พระคุณเจ้าก็จะปฏิบัติร่วมกับเราพระคุณเจ้าท่านเป็นเจ้าของสถานที่ท่านเป็นเจ้าภาพอะไรดีๆเนี่ยท่านต้องเอาก่อนท่านไม่ให้โยมเอาก่อนวิปัสนาเป็นของดีท่านจะ ต, ต้องเอาก่อนคิดว่า ง, งานนี้พระคุณเจ้าทั้งพราดทั้งเนีนท่านไม่พลาดหรอกนะท่านฉลาดกว่าพวกเราเยอะดังนั้นก็อยากจะให้ไม่ให้พลาดในสิ่งที่ดีๆที่สุดเนี่ย ก็คือการปฏิบัติธรรมเราใช้การเคลื่อนไหวยังได้บอกเหตุผลเมื่อกี้ว่าทําไมต้องใช้การเคลื่อนไหวก็เพราะว่ามันแก้ไขปัญหาได้ง่ายมันปวดหรือก็เปลี่ยนไปแต่ว่าให้นั่งนานๆหน่อยไม่ใช่ว่าพอปวดนิ ด, ดหน่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ไม่เห็นทุกข์ดนะิปัญญามันจะเกิดก็ตรงการเห็นทุกข์นั่นนะถ้าเราไม่ยอมทุกข์เลยเนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดนะอนะถ้าหากเราทุกข์มากๆเห็นทุกข์มากๆปัญญามันก็เกิดแต่ว่าต้องเห็นให้ถูกนะ ถ้าเห็นทุกเป็นตัวเรานี่เห็นไม่ถูกละแต่เห็นทุกเป็นทุกอันนั้นเห็นถูกทุกไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกไฟไม่ใช่เราเราไม่ใช่ไฟใช่ไหมเราก็จะดับไฟถูกแต่เมื่อไรเราไปเห็นไฟไปเราเห็นเราเป็นไฟไฟก็ไม่เราถ้าเห็นทุกเป็นเราเราเป็นทุกทุกก็บีบคั้นเราเราจะแยกออกไหมเบื้องต้นที่สุดต้องดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยความรู้สึกอะไรบ้างความรู้สึกทางกาย อันหนึ่งความรู้สึกทางใจอันหนึ่งสมมุติว่าเราปวดขาเนี่ยเป็นความรู้สึกทางกายหรือทางใจเป็นความรู้สึกทางกายถ้าเมื่อไรใจเราไปปวดด้วยเราไม่พอใจใช่ไหมปวดขานี่ไม่พอใจทุกเกิดไหมทุกก็เกิดแล้วแต่ถ้าเราปวดขาก็ปวดขาเฉยๆใจก็สบายอยู่นี่ทุกไม่เกิดนะทุกจะเกิดทางกายทุกเกิดทางเดียวแต่ถ้าเราปวดขาโดยใจเขาไปปวดด้วยทุกเกิดทั้งสองทางอันนี้เรียกว่ากําหนดไม่ถูกละ ถ้ามันปวดขาก็ให้มันปวดขาอย่าให้ใจมันปวดด้วยถ้ามันร้อนก็ให้กายมันร้อนอย่าให้ใจมันร้อนด้วยนี่เขาเรียกว่าพิจารณาได้ถูกแต่ถ้ากายร้อนก็ใจก็ร้อนด้วยอันนี้ไม่พิจารณาไม่ถูกแล้วเราเห็นกาเห็นรูปเป็นนามเห็นนามเป็นรูปเป็นอันเดียวกันถ้าหากว่าคนไหนกาหนดรู้ความเข้าใจถูกอย่างนี้ความสุขมันก็เริ่มมีแต่แรกแล้ว มันมีความสุขตั้งแต่แรกปฏิบัติแล้วแต่ถ้าเมื่อไรากําหนดไม่ถูกนะ่ะมันทุกข์ตั้งแต่แรกปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนั่งปฏิบัติอยู่ก็เป็นทุกข์ละนะเพราะฉะนั้นออขอให้กําหนดให้ถูกนะว่าเรากับทุกข์นั้นคนละอย่างเราไม่ใช่ทุกข์ทุกไม่ใช่เราแต่การที่เราไปเป็นทุกข์ด้วยแสดงว่าเราแยกไม่ออกเราร้อนใจเราก็คอยอึดอัดไปด้วยนี่แสดงว่าเราไปเห็นความร้อนเป็นเราให้เราเป็นร้อน เราปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเราก็ไปปวดกระดันด้วยนี่นี่เราไปเป็นแต่ถ้าหากเราเห็นอ๋อทุกก็คือทุกร้อนก็คือร้อนปวดก็คือปวดไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูเฉยแต่ถ้าเราไม่ไม่สร้างปัญญาตัวนี้ให้ามากๆนะไอ้ตัวรู้ตัวเนี้มันก็ยังไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราอยู่นะทุกมันก็เกิดตรงนี้คือความยากของวิปัสสนาก็ส่วนใหญ่เราเห็นว่าเราเป็น เป็นใจเห็นว่าเราเป็นคิดเนี่ยมันเห็นมาตั้งแต่เขาเริ่กเห็นผิดมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราเพิ่งมาเจริญมาเพิ่งปฏิบัติวันสองวันเนี่ยจะให้มันเห็นถูกด้วยตลอดนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็เริ่มเห็นไปคือพยายามดูทุกว่าทุกนี่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกปวดไม่ใช่เราเราไม่ใช่ปวดเมื่อยไม่ใช่เราเราไม่ใช่เมื่อยแต่มันเป็นเรื่องของกายเราก็มาดูใจของเรารักษาใจให้เราของเราให้สบายรักษาใจของเราให้ให้เข้มแข็งเอาไว้ นะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ที่สิ่งประกอบก็สำคัญนะสิ่งประกอบที่เราจะให้ทำให้เราปฏิบัติได้ดีมีสมอย่างจำให้ดีนะั้นเวลามาบอกมาจะบอกเป็นอย่างๆไปความไม่สบายกายมีสาเหตุสอย่างความไม่สบายทางจิตมีสาเหตุสอย่างคือความอยากสาเหตุที่จะทำให้เราปฏิบัติได้ดีมีสมอย่างหนึ่งมีเพื่อนที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดี บอกถูกบอกทําความเข้าใจได้ดี2มีสหายที่ดีก็คือมีนักปฏิบัติด้วยกันน่ะต่างคนต่างปฏิบัติไม่เป็นปัญหาแก่กันเลยกันแต่หากว่าคนนั้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นคนนั้นตําหนิคนนี้คนนี้ตําห น, นิคนนั้นไม่สบายแล้วเรามีเพื่อนไม่ดีแล้วก็ให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาหนึ่มีครูบาอาจารย์มีกิรย า, ยามิตรที่ดี2มีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติแล้วก็จะปฏิบัติได้มาก สนับสนุนกันก็ให้กําลังใจกัน อ, อ่อนน้อมถ่อมตนกันพูดดีแต่กันแผ่เมตตาให้แก่กันไม่สร้างปัญหาสร้างความงุงิติดอารมณ์ให้แก่กันนี่มีสหายที่ดีอันที่ส ม, มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นที่นี่เป็นไงสงบไหมสงบถ้าหากว่าใครทําความไม่สงบขึ้นมาก็รู้สึกไม่ดีร่าใจเราไม่สบายที่นี่สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมีกี่อย่างหนึ่งอาวาัชสปายะสถานที่สง บ, ส ง, บสงัดวิเวกสอง อาหารและสัปปพยะข้าวปลาหานไม่ไม่บกพร่องที่นี่อุดมสมบูรณ์สามปุขระสัปเายะหมายความบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเราเนี่ยต่างก็เป็นคนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นไม่มีใครเป็นศัตรูคู่เว้นไม่คีไม่มีใครมาทวงหนี้ไม่มีใครมาถามหาในทางที่ไม่ดีมีแต่เพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีคุณธรรมต่อกันเลือกปุคละสัปปะยะสธรรมะสัสปปะยะธรรมะ วิธีปฏิบัติที่เราสมท า, านปฏิบัติที่นี่ใช้การเคลื่อนไหวปฏิบัติได้ตลอดเวลาเรียกว่าธรรมส ป, ปายะคือวิธีการปฏิบัตินั้นไม่หนักหน่วง เ, เปลี่ยนแปลงปฏิบัติได้เรื่อยๆนั้นสิ่งที่จะสนับสนุนของเราให้เราปฏิบัติได้ดีมีมี3มใช่ไหมหมีครูบาอาจารย์ที่ดีสั่งสอนดี2มีเพื่อนที่ดีคนมาปฏิบัติด้วยกันไม่สร้างปัญหาแก่กัน ส ม, มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่ก็แบ่งเป็น4ี่ใช่ไหมคือสถานที่เข้าปลาหารบุคคลแล้ววิธีปฏิบัติก็จะช่วยให้ทะานนั้นสมเเณรที่บทแล้ววันนี้ก็ต้องอตั้งใจปฏิบัตินะรักษาความสงบไม่ให้ไม่ให้วิ่งพล่านไปมาเหมือนตอนเป็นเด็กแล้วนะ แลงนั้นในเหตุปัจจัยเหล่านี้ที่กล่าวมาตอนเช้านี้จำได้ไหมว่าคนเรานั้นจะการที่จะไม่มีทุกข์เลยเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าทำได้ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ทำอย่างไงก็คือเหตุผลทั้งกล่าวมาแล้วคือต้องรู้จักความไม่สบายเหตุความไม่สบายทางกายสีประการกรรมจิตอุตุอาหาร ความไม่สบายทางจิต3าประการได้แก่แการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาและความสบายสี่ประการคือความสบายของอเพื่อนกระไรเมิตรความสบายของสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นส่ประการดังกล่าวแล้วเพรา ะ, ะนั้นช่งชวงเช้านี้ก็นำเสนอเรื่องนี้เพื่อที่จะนำไปใช้นะเพื่อนไปใช้ก็ คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจ